การรักษาจิตบาลีว่าจิตกลางรักขันติเมทาวีท่านว่าผู้มีปัญญาควรรักษาจิตท่านว่าอย่างนี้จะอธิบายถึงเรื่องหัวข้อถึงเรื่องรักษาจิตเพราะการปฏิบัติกรรมฐานท่านกล่าวถึงเรื่องจิต เป็นส่วนใหญ่เป็นหลักสาคัญคำว่าจิตในที่นี้โดยมากคนจับไม่ค่อยถูกผู้ไม่ได้ภาวานาหรือภาวานาอย่างแทนเป็นไม่รู้จักจิตจับจิตไม่ถูกจิตอาจจะเข้าใจเป็นหัวใจไปก็ได้ คือใจกับจิตนะ่ะมีชื่อคล้ายกันถ้าเราพูดถึงเรื่องใจแล้วก็พูดถึงเรื่องหัวใจคือหัตไชยเยวทุพอเข้าใจว่าหัวใจนะ่ะเป็นใจเอาเฉเลยคือจิตจิตหรือใจอันเดียวกันถ้าพูดตามศัพ์ บ, บาลีจิตคือพู้คิดนึกใจคือใจนั่น เป็นภาษาบ้านเราที่เราพูดกันเข้าใจกันเราเป็นของกลางถ้าพูดตามบาลีเรียกว่ามโนลักษณะอาการที่น้อมไปเนื่องว่าทน ถ, ถึงจิตที่มันน้อมไปทีแรกเรียกว่าใจมโนคือน้อมอันนั้นเรียกว่าใจน้อมไปแล้วก็ไปหาการคิด การนึกการปรุงการแต่งมันจึงเรียกจิงเรียกว่าจิตก็จะให้เพึ่งเข้าใจแช่ว่าจิตหมายถึงเรื่องผู้รู้ตึกนึกคิดเรียกว่าจิตถ้าหากเราจะอบรมจิตแต่ยังไม่ทันรู้จักด้วยจิตก็อบรมไม่ถูกท็ไมทราบไอ้จะาไปอบรมกันตรงไหน อาหากว่าผู้อบรมฝึกฝนจิตของตนได้แล้วจึงจะรู้จักว่าจิตคืออะไรผู้ที่เห็นจิตจะรู้จักจิตรักษาจิตของตนได้ท่านเรียกว่าเมทีสมกับบาลีที่ว่าลักขัยยเมธะจิตตังลักขัยเมธาวีที่ว่านี้ เมธาวีคือผู้มีปัญญาควรรักษาจิตของเอั น, นี้อธิบายถึงเรื่องจิตให้เข้าใจจิตจก่อนซึ่งเราจะต้องพากันฝึกฝนอบรมทรานี้จิตมันเป็นตัวยังไงกันนั่นตัวจิตนันไม่มีตนมีตัวหรอกถ้าเราฝึกหัดจิตได้ดีแล้วน่ะ เราจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงศีรษะมันก็อยู่ที่ศีรษะไปตั้งไว้ตรงจมูกมันก็อยู่ตรงจมูกเอาไว้ตรงหน้าอกหรือไหล่ซ้ายไหล่ขวามันก็อยู่ได้หรือเราจะไปตั้งไว้ตรงปลายเท้าปลายมือได้ทั้งหมดจิตเราน้อเไาไว้ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นนหะที่เรารู้สึก เราอยู่ที่ไหนก็นไม่ทราบอะหลักใจว่าเรารู้สึกนะรู้สึกตามประสาทอย่างว่าเจ็บที่ปลายเท้าปลายมือหรือว่าที่หน้าอกหรือที่บนศีรษะตรงไหนก็ตามถึกประสาทของคนเรามันมีเส้นประสาทเหวี่ยวโยงกันตลอดมดทางวัยยวะาร่างกาย แต่ไปชมสายไปชุมมันอยู่ที่ตรงอุไธยาวทุที่ตรงหัวใจก็ชอบอยู่ที่ว่าใจที่ตรงตรงหัวใจนั่นก็ชอบอยู่เพราะไปชุมที่นั้นแล้วไปเกิดความรู้สึกทีนตรงนั้นอย่างนั้นจึงว่าใจนั่นน่ะคือความรู้สึกความรู้สึกนั่นเองไม่มีตัวมีตัวหรอ รู้สึกตรงไหนก็ใจตรงนั้นใจเร่งของเร็วยากที่คนจะจับได้คนที่ไม่ได้ฟึกฝนอบรมจิตจเฉยๆตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายจับจิตตนจับจิตของตนไม่ได้ฟึบฝนอบรมจิตตนไม่ได้ไม่ทราบวันตนจะวิ่งว่อนแต่ตรงไหนตรงไหนสัก จิตเป็นของวิ่งเร็วบางคนนั้นว่าตามรู้จิตไม่ใช่รู้เท่าจิตคือตามรู้จิตรู้ตามจิตไม่ใช่รู้เท่าไม่ใช่รู้ทันคาว่าตามรู้จิตจิตจะเกิดความรู้สึกเจ็บบนที่สระก็ไปตามรู้ว่าเอาไปเจ็บตรงนั้น ไปเจ็บตรงเท้าก็ไปรู้ตามตรงนั้นหรือว่ามันไปรู้โน้นข้างนอกก่อนมันไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าอะไรภายนอกก่อนเช่นไปดูไปเห็นรูปใบไปกลอะไรหนุนข้างห น, น้าไกลแสนไกลไปมองเห็นตามไปรู้ว่าจิตไ ป, ไปรู้นั้นอันนั้นเรียกว่าตามรู้จิตแต่ไม่แช่รู้ตัวจิต ถ้ารู้ตัวจิตนั่นรู้เท่าตัวจิตทันตัวจิตจิตไม่ทันออกไปอันนี้มันออกไปแล้วยังเคยไปตามรู้รู้จะหาได้รู้ตัวหรือไม่ต่รู้ต่อาการของจิตถ้าหากคนพึกงผลอบรมจิตตัวนั้นแล้วจิตจะเป็นตัวแต่ว่าไม่ใช่ปรากฏด้วยสายตา ห้าแค่ปรากฏโดยใจอีกละจิตกับใจมาเข้ากันอีกละให้พูดกันอย่างนี้ได้ก็แล้วกันใจรู้ใจใจเห็นใจใจทันใจหรือจิตรู้จิตจิตทันจิตจิตเห็นจิตนี่ตามรู้ตามเท่ารู้เท่าคําว่ารู้เท่าในที่นี้ เมื้อความก็ตรงนั้นอยู่แล้วคือความรู้มันเท่ากันกับจิตมันไม่เกินกันมันไม่ย่อนกันมันย่อนกักันแล้วเกินกันเพราะพอดีกับจิตเท่าเท่ากับจิตรู้นั้นจิตอยู่ตรงไหนรู้จิตตรงนั้นรู้ตัวมีจตรงนั้นนั้นจึงเรียกรู้เท่าไม่ใช่รู้ตามรู้เท่าเๆพอดีกันท่านเมื่อรู้เท่ารู้พอดีกันอย่างนี้แล้ว จะเห็นจิตเป็นตัวเลยทีเดียวเมื่อเห็นจิตเป็นตัวก็เรียกว่าเรารู้เท่าทันจิตคราว น, นี้จิตไม่เคยมีอาการถึงจะมีอาการเราก็รู้จะอยู่หรือไปเราก็รู้จะให้ไปหรือจะให้อยู่เราก็รู้เราก็ทําได้อันนี้เรียวกว่ารู้เท่ารู้ทันจิตคราว น, นี้ ว่าทั้งเรื่องการที่จะอบรมว่าจึงเรื่องที่จะต้องพึกผลจิตจิตนั้นมันจาเป็นยังไงจึงจะต้องรู้เท่าจาเป็นยัง ไ, ไดยังไดจึงจะรู้ทันจําเป็นอย่างไรจึงจะต้องพึิกผนและอบรมไม่อบรมไม่ได้หรือจิตถ้าผู้ไม่มีปัญญาก็ได้อยู่ ถ้าหาเราพูดเป็นมีปัญญาดังบทบาลีที่ยกขึ้นมาเบื้องต้นนั้นจิตทังลักขยันเมทาวีผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะรักษาจิตจึงควรรักษาจิตถ้าว่าควรรักษาจิตนี่คือมันสมควรจริงๆที่งต้องรักษาผู้มีปัญญาต้องเห็นเป็นของสมควรจริงๆ เมื่อของมีอยู่ไม่รู้จักรักษามันจะได้ประโยชน์อะไรของมีอยู่แล้วเราไปรู้ของมีอยู่ม่จะมีคุณค่าอะไรเหตุนั้นปัญญาชนจึงควรรักษาจิตควรรักษาโดยเหตุนี้ถ้าไม่ใส่ปัญญาชนแล้วก็ปล่อยตามานิทะกรรมแล้วแต่มันจะเป็นไปตามา น, นิทะกรรมอย่างไร เหตุนั้นเี่เป็นของคนรักษาอันนี้พูดถึงเรื่องปัญญาชนผู้มีปัญญาเราพูดกนในฐานะผู้ที่มีปัญญาตัวตั้งใจที่จะรักษาจิตและอบรมผู้คนจิตจิตนั้นถ้าหากว่าเราไม่เห็ุโทษของการไม่รักษาจิตหรือ อาการที่จิตไม่อยู่มันเป็นโทษคือนำทุกมาให้แล้วเราถึงจะรักษาจิตเราจึงจะอบรมจิตบทต่อไปก็เรียกว่าจิตตังดันตังทุกขาวหางจิตที่ทึกฝึกผลอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จึงจะสมกับ บทนี้เราเห็นโทษในจิตที่ว่าเรารักษาฝึกผลไม่ได้นั่นมันาพาให้วิ่งวอนมันาพาาให้เกิดทุกข์คิดอย่างนี้ก็แล้วกันคิดอย่างง่ายๆเราเป็นทุกข์เศร้าโศกเพราะจิตรักษาไม่ได้เพราะเรารักษาจิตไม่ได้คิดอะไรอาวอน คิดอะไรอาวรณ์ห่วงใหญ่ในสิ่งที่ตนรักตนให้ตนพอใจจนจติดตนติดพันผูกพันในสิ่งนั้นนะจิตไปกังวลอย่างนั้นเรารักษาจิตไม่อยู่จึงค่อยเป็นอย่างนั้นจึงค่อยเป็นทุกข์ถ้าจิตรักษาได้แล้ว ห้ามมาให้กังวลมาให้ห่วงใย่มาให้อาไรไม่ให้อาวรมาให้ส่งไปในที่นั้นคิดถอนเสียจากเรื่องเหล่านั้นแล้วมาอยู่ในที่เดียวเรียกว่าจิตฝึกผลอบรมเราสบายไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องเป็นโศกไม่ต้องเดือดร้อน เราเห็นโทษอย่างนี้และเห็นคุณอย่างนี้จึงค่อยพายายามรักษาจิตถ้าหากยังไม่เห็นโทษทเห็นคุณแล้วไม่สามารถที่จะรักษาจิตไม่เห็นโทษของการที่จิตวูลวายและจิตจิตส่งไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาไม่ได้สิ่งในดๆทั้งปวงหมดแหละถ้าเราไม่เห็นโทษในสิ่งนั้น ทิ้งไม่ได้ไม่วอะไรทั้งหมดนี่ข้อใหญ่ใหญ่กว่างข้อสําคัญอยู่ตรงนี้การที่เราจะพึ่ฝนจิตมาให้มีข้อสําคัญมันมีข้อสําคัญอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราเห็นโทษนั่นแหละเราละในสิ่งที่เราเห็นโทษให้ายามละนั้นสิ่งโทษละจริงจริงถ้าเห็นโทษจริงๆก็ละจริงๆ เห็นโทษแห่งขุนเนี่ยบ้างแล้วก็ไม่มีวนทางที่จะลได้มันเข้าทานองที่อย่าทิ้งเสียดายจไว้ก่อนหน้าเกียรทิ้งก็เสียดายไว้ก่นหน้าเกียรขั้นแทบแดดนี่แล้วกลังเละกรถังกรถีทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างทำสมาธิจนวันตายก็ไม่เป็นให้ พุทธิธรรมสมาธิภาวนาเป็นเร็วหรือว่าได้ง่ายพระเห็นโทษในเรื่องจิตวุ่นวายจริงๆมันทำนำมาเป็นของทุกข์ถึงจะปล่อยได้สนิดจิตจึงจะเป็นสมาธิได้เร็วคนที่หัดสมาธิเป็นเร็วและเป็นช้าอยู่ที่ตรงนี้ นอกจากเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเรื่องฝึกฝนอบรมภาวนาจะใช้อุบายอันใดก็เสียดายอันจะนึกจะาปฎิกามพุโทโธก็เสียดายมรารนามรดังคือความตายจะกําหนดพิจารณาความตายคือลมให้หรือลมให้ใจเข้าออกก็เป็นเสียดายมาพุโทโธ หรือว่าจะพิจารณากายกับตาคือพิจารณาสุภพปฏิกูลนึกภาพขันก็เช็ดได้ไอ้ก็เช็ดได้อนาปารสติอะไรในทํานองนะั้นเลยเอาไหนไม่ได้สักอย่างเดียวแบบนี้ก็พรนาไม่ได้เหมือนกันคำทั้งหลายนั่นน่ะมีมากกว่าจริง อุบอายทั้งหลายภาวนาก็มีมากจริงใครจะทำอะไรก็ทำเถอะขอให้ทำให้จริงลงไปแล้วก็แล้วกันทำจริงนั้นในเห็นจริงลงไปแล้วก็แล้วกันพิษฤทธูขอขอมันเห็นจริง้วยตนเองถ้าทำได้อย่างนี้จะได้เกิดปัญญาเข้าตำราโบราณท่านว่าพิษเป็ดครู ูกเป็นอาจารย์ถ้าไม่ผิดก็ไม่มีครูไม่มีความรู้อาจารย์ยังคยสอนถ้ารู้แล้วมันจะมีคนสอนคือมันผิดนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเมื่อถูกเมื่อผิดแล้วเราจากว่ามันผิดนั่นแหละจึงจะเป็นอาจารย์จึงจะมีอาจารย์ขึ้นมาครูสอนนี่นจึงค่อยมีอาจารย์ ครูสอนให้รู้อะไราัึงค่อยมีอาจารย์อาจารย์คือผู้ฝึกฝนครูคือผู้สอนให้รู้ให้เกิดความรู้อาจารย์คือผู้ฝึกฝนให้ดีต่อไปเห็นนั้นนีมว่าถ้าจะฝึกฝนอบรมภาวนาทำสมาธิให้เป็นสมาธิกันจริงๆจังแล้ว่ ย่ามีการรังดีทําอะไรได้ทําลงไปเด็ดเดี่ยวไปจริงๆจังให้จําไว้ในทนี่ซึ่งจะอธิบายทั้งเรื่องอุบายจะฝึกผลรวมต่อไปนั้นจะอธิบายเฉพาะทั้งเรื่องกายขตาสติเพราะกายกระจายสติเป็นของกลัว แต่จะไม่ให้มันก่วงเพือจะให้เอาคนเดียวย่างว่าในตัวของเรานี่แหละมีอวัยวะทางปวงมากทีเดียวตาสองหูสองจมูกสองเล่นกายแต่นับไม่ถ้วนแต่อ ว, วัยวะในตัวกายนี่นับแต่มือได้เท้าึือมาทุกสิ่งทุกอ่วนอยู่ในกายนะจริงทั้งหมดนี่อยู่ในกายทั้งนั้ น, น, น, น, า น, นมากทีเดียว แต่ว่าจะไม่ให้เอามากให้เอาสักอย่างตัวของเราเนี่ยให้เอากายให้ให้เอาสักอย่างหนึ่าางจับเอาสักอย่างหนึ่งเช่นวัเราจะจับเอาเชียงว่าตาสักลูกหนึ่งเอาละตาลูกเดียวขนานในตัวของเราเมื่อตามีแล้ว เราได้ตาเดียวเนี่ยจะรักษาตาเดียวจะดูตาเนี่ยวนะไม่จ้องไปดูที่หูเลยไม่จ้องไปรักษาที่หูอ่ะรักษาเฉพาะตาให้รักษาตาได้เสียก่อนตาลูกหนึ่งได้เสียก่อนรักษาเลยคือรักษาทั้งรวมทั้งรวมอยู่ที่ตาอย่างเดียวตาจะดูอะไรให้ดูตื่ ให้จิต ด, ดูอยุทธิตารักษาตามันจะดูใกล้ดูไกลดูหยาดดูละเอยียดให้เห็นตาดูยุทุกขณะรู้สึกว่าตาดูยุทุกขณะทันแล้วตาข้างที่สองจะหมูกของปวงวัดหูของปวงวัดไม่ต้องครับอย่างนี้เป็นตดในการที่ว่าจะเอาอันเดียวในตัวของเราที่เรียกว่ากายคตา ในกายกระตานี่แหละไม่ให้เอาทั้งหมดหรอกพิจารณาถึงความตายเดียวก็พอถ้าตายแล้วตายก็ตายหมดโหูจมูกตายหมดแง้งขาไว้ว่าถัา้งหมดหมดตายหมดถ้าตายแล้วถ้าไม่ตายแล้วจริงเท่าไหร่นั้นดีหมดเค่ด้านจังว่ารวมรวมมาที่ไกายขตัยที่ไกกระตามารวมกันที่ตรงตาย พิจารณาทั้งความตายถ้าเรามาจับความตายของเราให้ถงพิาาจารณาเฉพาะความตายอย่างเดียวคนเรามันกลัวตายถ้าพิจารณาความตายมันก็วางหมดเพราะเห็นตายเท่านั้นมันวางหมดเลยถ้ายัางไม่เห็นความตายมันก็ปลุงเลยท่านนี้ยืดหยอ่อ ว่อความทีเดียพอเรามาพิจารณาถึงความตายดูตาก็ตาเป็นของตายดูหูดูจมูกกันเป็นของตายเอาไว้ยัว่าแท่งขาเท้ามือต่างๆเป็นของตายมันยังไกลนั่นยังไกลถ้าพิจารณาความตายโดยเฉพาะเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ ความตายมันตายไปนแต่วินาทีวินาทีหนึ่งก็ตายวินาทีหนึ่งล่วงไปก็ตายไปนาทีหนึ่งล่วงไปก็ตายไปชั่วโมงหนึ่งตีเป่งหนงนี่มันก็ตายไปแล้วสองสามชั่วโมงก็ตายไปยื่สิชั่วโมงตายนาฬิกาเขา ทำไว้สำหรับเป็นเครื่องวัดความตายไม่ใช่เขาเความหมายเขาพูดมันไกลเกินไปเือวัดโมงวัดชั่วโมงนาทีวินาทีเขาพูดถึงนู้นเพราะเขาไม่ได้ภาวนาถ้าหากช่วงนักภาวนาไม่ได้พูดไปถึงนู้นพิจารณาถึงตัวของเราวินาทีนาทีชั่วโมง ของความตายหมดไปเลยหมดไปหมดไปเรานั่งมองอยู่ในหมดไปทุกขณะพอเรามาเพ่งจิตนาความตายเฉพาะธานี้เห็นเฉพาะธานี้จิตมันจะได้หดตัวออามาจิตมันจะไม่ได้ฟุ้ง ส่งออกไปภายนอกถ้าเห็นชัดในความตายแล้วนั้นสิ่งทั้งหลายม่ตจองตปละพิ้งมันมันทิ้งมันปล่อยไปเองหมดเมื่อมันทิ้งมันปล่อยไปมันก็ยังหลืออันเดียวคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกคือผู้ที่พิจารณ์ผู้ที่เห็น ผู้ที่เห็นความตายที่เียวผู้ที่รู้สึกว่ามันตายอยู่ในสถานที่เดียวจิตถ้าหาเข้าไปอยู่ในที่เดียวแล้วจะมีพลังอันกล้าหาญสามารถที่จะรวบรวมกำลังจิตอันมีพลังอันกล้าหาญนั้นพิจารณาสิ่งอื่นได้ชัดมดทุกอย่างครับ เรียบมันก็ไฟเรียบมันก็น้ําน้ําถ้าเรามีหลายแพรหรือมีหลายช่องหลายทางมันไหลไปมันก็กาลังน้อยถ้าติดทุกช่องถ้ายังเหลือสามสี่ช่องแล้วหลายแพร์ติดฉันยังเหลือแพรเดียวมันก็น้ํามันก็มีกําลังแรงไฟฟ้าเทขาแค่นเดียวครับถ้าหลายหลอดมันหลายหลอดมันก็จะว่างน้อยไป ถ้าหลอดเดียวก็สว่างจะอาจเจียนทีพลังของใจก็เหมือนกันทางหูก็ปิดจะ้ะมันติดเองทางจมูกทางริมทางตายก็ปิดถ้าไปเห็นชัดในความตายอันเดียวมันจะพุ่งลงมาสู่ของตายชัดเลยอันนี้มันไม่มีกำลังนะ่ะนี่เรื่องมันพลังของจิตมันน้อยเห็นแมบเดียวแล้วหายไปเห็นแมบดเดียวแล้วหายไป ส่งไปตามหัวจมูกส่งไปทั้งรินทั้งกายไปทั่วทุกแห่งทุกมันเลยไม่ชัดสักอย่างเดียวทาทั้งหลายเป็นของชัดจริงอยู่ทุกประการเป็นของจริงของแท้ทุกประการแต่ว่าใจของเราไม่มีพลังเพียงพอที่จะไปดูธรรมะธรรมะจริงไม่เป็นของชัดเมื่อไม่เป็นของชัดมันก็ไม่มี ความรู้วันที่จะแจๆๆ่มแจ้งขึ้นมาจนให้เกิดตีตีปัจจิ์เมื่อเม่มีความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งทำไปเดียวกันนิดเนื่อยททำไปเดียวที่เกี่ยลลำขาดทำไปธรรมากระหาว่าทำทั้งหลายไม่เป็นประโยชน์ในการไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตของตนทำทั้งหลายไม่ สามารถที่จะนำกองศุกร์มาให้ เ, เลยขี้เกียจขี้ขา้ขางเลื่อซักแจะว่าทําทําไปพราักแต่ว่าทำนานเลยเลยไม่ทําอะไรเสรทั้คนขี้เกียจขี้ข้างเขามาครอบงาที่ริดทวบทับมดัดตกลงคนทําแล้วไม่ทําก็เท่าเท่ากันคนผู้ที่ทำแล้วไม่ทำก็เท่าเท่าท ผู้ที่หัดอบรมข้อนากรรมาฐานทั้งหลายถ้าหากไม่เข้าถึงธรรมะจะเป็นการเบื่อหน่ายและที้เจ็บที่าัในการประกอบภุานาธรรมเดียดและอยากได้ความรู้ก่วงขวงแล้วอยากได้มีวิชาสามารถทุกด้านทุกทางมีได้ความอยากอย่างเดียวแต่กำลังจิต ส่งไปตามความอยากตั้งต่เลยไม่มีพลังเพียงพอที่จะรวมกำลังเข้ามาเพ่งพิจารณาโดยจะทโดยเฉพอและเข้าใจว่าการอยากพุ่งโน่นพุ่งนี้ไปหาข้าหาความรู้หาความฉลาดพุ่งไปหาทำโน่นทำนี่ในผลที่สุดจะเลอะเหลวหมด เลยมันเป็นเรื่องผูง้คนผู้ปฏิบัติปัญญาชนสมัยนี้อบรมภาวนากรรมฐานต้องการนิชาของรู้วงกถ้าจะหัดภาวนาธรมสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งกลัวจะเป็นโง่เขัาเป็นคนโง่เข่า ถ้าเป็นความการโง่เขาจิตเป็นหนึ่งไม่จะมีความรู้อะไรก็งโง่เขา่าเ ท, ท่านั้นติปไปท่านนี้ถึแล้วคนเราทำเป็นคนโง่ในได้ยากทำเป็นคนฉลาดในง่ายฉลาดเชียบแล้วโน่นนี่ ทังปฏิภาณโอหานคิดนึกตรอกองโอ้ยฉลาดเฉลียวเรื่องความฉลาดนั้นง่ายสบายที่สุดไม่ต้องอบรมมาขนมากมายเลยแต่แล้วจะมาแกล้งทําให้มันเกิดความโงด่ดังชีว่านี่ยากที่สุดคนเราถ้าหาไม่แกล้งทําตนให้เป็นคนโง่เสียก่อนนะไม่รู้จักความโง่เลยทีเดียวอันโง่แบบความฉลาดนั้น ไม่มีขอบเขตโง่แบบนั้นโง่แบบเราหัดให้เป็นคนโง่นี่ม่ขอบเขตโ้่ที่สุดของผู้หัดภาวนาก็คืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมา ธ, ปปาาธิคือไม่มีความคิดคมนึกนี่ได้ความรูส้สึกจะสึกเฉพาะตัวของมันเองอารมณ์ภายนอกหายศูนย์หมดไม่มีเลยในทีนั้นอัปปนาสมาธิหรือไม่ฉะนั้นก็เรียกว่าเอกาจัยจิตจิตมีอารมณ์มันเดียว อารมณ์อันเดียวในที่นี้นั้นหมายความถึงเรื่องอารมณ์ของจิตเฉพาะเท่านั้นไม่ได้ส่งไปตามอารมณ์ภายนอกคืออัญจนาทั้งหกเรียกว่าเอกกระจาจิตหรือไม่ฉคนั้นเรียกว่าผวังขจิตจิตที่เข้าถึงซึ่าางผวังไม่มีความรู้สึกภายนอกมีความงโง่ของผู้ปฏิบัติของผู้ฝึกหัดหัดให้เป็นคนโง่ถ้าหัดได้เป็นคนฉลาดแล้วก็ปุ้งใหญ่เลย ถ้าหากเรามาหัดให้ถึงความโง่ถึงที่สุดดังที่ว่ามา น, นี้แล้วเรารู้จักความโง่อาการที่หัดให้ ถ, ถึงความโง่นั้นอ่ะมันมีความฉลาดอยู่ในตัวจึงค่อยเป็นคนโง่ได้คนไม่ฉลาดหัดให้เป็นคนโง่ไม่ได้พูดกันง่ายอย่างนี้หรือจะพูดตามสัก บ, บารีท่านว่าผู้ไม่มีฌานไม่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาไม่มีฌาน จริงอย่างทนว่าฌานสมาธิสมาบัติที่จะเข้าถึงอปปนาชฌานหรือว่าเอกกตาจิตเอกกตาลมเรียกว่าที่สุดของฌานหรือเรียกว่าผวังที่สุดของฌานถ้าไม่มีปัญญาไม่ถึงปัญญาคืออะไรคือหัดคือพิจารณาให้เห็นโทษของขวมวุ่นวายหเห็นอารมณ์ ที่ส่งสายวุ่นวายทั้งพวงหมดมันจะส่งไปยึดไปถืออะไรเห็นเป็นโทษทุกข์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังนาตาเห็นเป็นสภาวธรรมมันจะไปจิดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเห็นเป็นตัวสมุทัยเห็นเป็นไปเพื่อกองอนั่นอะเรียกว่าปัญญาเมื่อมันเห็นเห็นเช่นนั้นแล้วมันจึะค่อยถอนจากความส่งจากความวุ่นวายจากการปรุงแต่งทั้งพวงหมด ปัญญานั่นแหะไปกําจัดอาการจิตทั้งหลายเหล่านั้นมันถึงจะปล่อยวางและรวมเข้ามาเป็นอปนาสมาธิเรียกว่าปนาฌานหรือเรียกว่าเอกขาตาลมหรือเรียกว่าพวังอย่างที่ว่ามันนี้ท่านจึงว่าผููไม่มีปัญญาไม่มีฌานคู่ไม่มีฌานไม่มีปัญญาอันนั้นก็ถ้าหากว่าจิต เข้าถึงอปนาก็ดีหรือเข้าถึงเอกขต า, าก็ดีหรือว่าเข้าถึงผาวางคตจิตก็ดีอันนี้เรียกว่าฌานหรือเรียกว่าสมาธิเพราะจิตถอนออกไวจากนั้นแล้วก็จะเหมือนเหมือนกันกระบาาเราเข้าไปสู่ในห้องหับแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งไม่เห็นสิ่งภายนอก เราไปมองดูจะเห็นแต่ของภายในกลวดกาภายในในสิ่งที่อยู่ภายในเขาเปิดห้องเปิดหับเปิดหน้าต่างออกมามาดูของภายนอกจิตใจจะท่วง s w i n และเบิดบานนอกจากนั้นอีกจะเห็นของภายนอกแปลกประหลาดขึ้นมาทันทีเช่นเมื่อจิตเข้าไปเป็นเตกคาตจจิตจิตเป็นหนึ่งพอออกมาจิตไม่ใช่หนึ่งใชแล้ว มามองดวงของที่มัเป็นหนึ่งนั่นแหละจะชัดขึ้นทันทีวะ่ะอ่อหนึ่งก็เป็นที่ไม่เป็นหนึ่งมันเป็นอย่างนี้คิดกันอย่างนี้ที่หนึ่งนมีความสุขสงบแแท่ไหนมีความเยือกเย็นปานใดที่ไม่เป็นหนึ่งนี้มันมีความเดือดร้อนวุ่นวายจะแค่ไหนปานใดอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิเกิดจากฌานนะนั่นแหละจึงว่าปัญญาเกิดขึ้นมาทีหลังจากคหัวโง่ พองโง่แล้วครานี้เกิดสัญญาทีเดียวมีคุณประโยชน์อย่างนี้ทําให้เป็นคนโง่ถ้าเป็นคนฉลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกจริงทุกประการจะมไีไม่มีของแปลกประหลาดเลยดังคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้คึกผลอบรมจิตให้เข้าถึงเป็นคนโง่ดังอธิบายมานั้นจะฟุ้งอยู่ตลอดเวลาไม่มีสถานีเลยในีคนที่สุด จะเอาอะไรมาเป็นแก่นสารอะไรสักอย่างปัญญาแบบนี้นั้นโดยกลายเป็นความโง่ไปในตัวคือตัวเองก็ไม่รู้เรื่องของตัวเพราะตนคิดนึกอะไรแล้วกลายเป็นคนโง่ไปในตัวเหตุ น, นั้นจึงว่าหัดให้เป็นคนโง่ซะก่อนให้รู้จักความโง่ซะก่อนอาการรู้จักความโง่เท่านั้นละ่ะได้ชื่อว่าเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเอาปัญญาตรงนี้ซะก่อน ถ้าพระเดชเจ้าท่านเป็นพระปรมครูผู้ฝนโ อ, อลงมาแล้วในในแนวนี้จึงได้สอนพวกเราในพวกเราน่ยอยากจะเป็นพระปรมาคูเลยทีเดียวเห็นพระองค์เจ้าปัญญากว้างของฉลาดเฉียบแหลมก็เลยอยากได้อย่างพระองค์คําว่าพระองค์ฉลาดเฉียบแหลมนั่นน่ะจะอยู่ในขั้นไหนภูมิไหนก็ไม่ทราบฉลาดด้วยวิทีไหนก็ไม่ทราบแล้วก็เลยอยากฉลาดอย่างพระองค์พระองค์ฉลาดแตกจากบุตุชนฉลาด คือพระ อ, องค์ควบคุมจิตของพระองค์ได้จะให้อยู่ในฐานะเจนนายมดอริยวงอริยาวาสของขอพระเดชเจ้าทั้งหลายท่านแสดงว่าอย่างนี้พิจารณาของไม่ดีให้เป็นของดีก็ได้พิจารณาของไม่ดีให้เป็นของดีก็ได้พิจารณาของงามไม่ให้เป็นของงามก็ได้พิจารณาของไม่งามให้เป็นของงามก็ได้ ทั้งของงามแล้วของไม่งามให้เป็นของไม่งามก็ได้หรือให้เป็นของไม่งามก็ได้ในความฉลาดของฉันไม่เหมือนกับความฉลาดของคนธรรมดาที่ว่าฉลาดเกลียดเลยคนฉลาดมีแต่มองเอาแง่ดีทั้งหมดพิจารณาอะไรไม่ให้มันมีเลวสามถ้าเลวสามก็เหยียดหยามรู้ถูกถ้าดีก็ชมเฉยยกยอจะกลับบาของไม่ดีนั่นหรือของดีนั่นท่านมันไม่ดีไม่ได้หรือให้ดีก็ไม่ได้ มันยังผิดแผกจากอริยาวาทะยววงศ์เหตุนั้นจึงค่อยมีเตตานตะสมของกิเลสอันเป็นเหตุในเหยียดหยามรู้ถูกซึ่งกันและกันเดือดร้อนวุ่นวายเหยียดหยามรู้ถูกก็เป็นการเดือดร้อนวุ่นวายทั้งตนและคนอื่นจึงไม่เป็นไปกับชั้นจิตความสุขสงบเพราะฉะนั้นถึงว่าให้พากเิียรนาความตายอันเดียวเนี่ยก็เหตุชัดลงครองตายเมื่ อ, อไหรแล้ว จิตจะปล่อยวางอารมณ์ทั้งพวงหมดจนหัดเป็นคนโง่อย่างที่ว่าเข้ามาอยู่ในเอกขกตาจิตเอกขตตาลมพอเรามพิจารณาถึงความตายเห็นเราเป็นคนตายทุกขณะลมหายใจเขาออกแล้วทุกชิ้นทุกส่วนในตัวของเราเป็นของแตกตายสลายทั้งหมดแล้วเรามองสิ่งอื่นนอกจากตัวของเราหรือคนอื่นนอกจากเราแล้วจะมีสภาพเดีเดียวกัน การเห็นเช่นนั้นจะเป็นเหตุมาให้ติดขอ้อหรือผูกพันในสิ่งไดเช่นเราชอบรักในสิ่งใดหรือผูกมัน่นผูกพันในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาชัดในใจของตนแล้วอะ่ะเป็นเรื่องเปล่าหาประโยชน์ไม่ได้หาสาระไม่ได้เรารักหรือเราชอบหรือเราผูกพันในสิ่งทั้งหลายนั้นแท้ที่จริงก็คือผูกพันในสิ่งที่ไม่มีจุดควงคือสิ่งที่มันตายแตกดับในคนที่เจอเขาจะรู้สึกตนเอง ว่าตนงมงายและเกิดความละอายใจขึ้นมในตัวทันทีทนันใดก็แสดงว่าเราคลายเราถอนจะแล้วจากเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นนี่การพุดผลตัวของเราให้เป็นคนโมง่มีคุณวิเศษอย่างนี้ทำให้ละกิเลสอกุศลเป็นสิ่งที่ทําใจให้มัวหมองโดยประการต่างต่างอย่างอธิบายมันนี้อุบายธรรมะที่แสดงมาในวันนี้ ว่าถึงเรื่องจิตตังรักไทยเมีทาวีถ้าผู้ไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถจะรักษาจิตใจได้ที่แทานว่าเมทาวีคือผู้มีปัญญาควรรักษาจิตคือเป็นสิ่งที่ควรจริงจิตเห็นได้ของควรจริงจงิถ้าคนไม่มีปัญญาไม่เห็นเป็นของที่ควรเลยเลยปล่อยวางทอดรา่างจึงไม่ได้ถึงซึ่งสันติสุข ผู้ที่ควรรักผู้มีปัญญาควรรักษ า, าจิตเมื่อรักษาจิตได้แล้วจิตตัง้งดันตั้งสุขขาวว่างหังก็จะนำความสุขมาให้ใครจะไม่ปรารถนาความสุขคนในโลกนี้เกิดขึ้นมาทุกคนเยาวชนมนุษย์เลยแท้ก็ปรารถนาความสุขทางนั้นและความสุขนอกจากความสงบแล้วหาที่ไหนได้นทีสั้นสี่ประดังสุขังความสุขนอกจากความสงบแล้วไม่มีหรอก สงบอย่างที่หัดตอนเป็นคนโง่เท่านี้ก็เป็นสุขอโหอยู่แล้วถ้าหากว่าทุขเกิดจากความฉลาดอันเกิดจากคนโง่จะสุขสักแค่ไหนอันนั้นยังเป็นส่วนสูขของอำนาจว่ายกไว้อีกส่วนหนึ่งขอยหัดตอนนี้ให้มาได้เสียก่อนอธิบายมาในข้อธรรมที่ยกขึ้นมาก็มีเนื้อความพราะจับได้เพียงแค่นี้เอาละอันนี้แสดงอันนี้ส่วนนั่งภาวนา เพ่งทำความสงบแล้วกำหนดเอาพุทโธพุทโธหรือกำหนดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้ควบคู่กันไปทั้งสองก็ได้คำปยิกรรมเป็นเครื่องรวมจิตให้มาอยู่ในจุดเดียวเมื่อกำลังปฏิกรรมอยู่นั้น ต้อทำจิตให้กล้ า, าหาญเด็ดเดี่ยวจริงๆไม่ัก่แ้่ว่าพุโทโธที่เฉยจะไม่เป็นการภาวนาจิตจะทรงสายไปมาเดียวก็เปลี่ยนเดียวก็ขี้เกียจเบื่อหนายในคำตำขานมันจะกลายเป็น พาวนไปชิดเมื่อตั้งจิตเด็ดเดี่ยวกระหานลงไปแล้วคือหมายความว่าตั้งต่อพุทธโธจริงๆอารมณ์ทั้งหลายก็จะไม่มารบกวนและจิตก็จะแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว มีพุโทโธเป็นจุดอันหนึง่งนั่นแหละจึงจะถึงจุดเบื้องต้นของการภาวนาสมาธมิตั้งสติป็นหนดอย่างนั้นไปให้มั่นคงอย่ายจิตอยากเห็นโน่นเห็นนี้ คืออยากให้เห็นแถวบุตรเถวไดาอินผมหรือเห็นอะไรต่างๆก็ตามเถอะเดียวสมาธินั้นจะเสื่อมเลามันจะเป็นสมาธิเต็มที่มันเป็นเองค้องมันตั้งห้าเใครจะแจ้งเอาไม่ได้การแจ้งเอาไม่เป็นสมาธิ สมาธินี้ถ้าแต่งเอ า, เอาได้คนทั้งโลกก็จะเป็นเหมือนกันหมดเป็นสมาธิเหมือนกันหมดจะเป็นของอัจจันร์อะไรของเกิดเองเป็นเองนี่เป็นของหายากเปิ่งต้นคอยตั้งใจรักษาสติอย่างเดียว นามเยตเป็นสมาธิคือมบรรทุมเป็นเอกตาจิตเอกตารมมันหากเป็นเองเมื่อเป็นเองมันต้องละชีนะขวางมดไม่มีเหลือในที่นั้นมันเหลือแต่จิตอันเดียวไม่ใช่คนลงเป็นอันเดียวนี่แหละวิธีหัดสมาธิจงตั้งใจกันทํากัน